นอนพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปนอนไม่หลับคืนนั้นรู้สึกว่าลาตียาวนานนะคืนยาวนานมากแปลว่าคืนไหนมีความทุกข์คืนนั้นยาวนานแต่จึงอย่างไงก็ตามถ้าว่าพวกเราพยายามทําใจของตนเองให้รู้จักการสถานที่ควรปรับปรุงกายวาจาใจของตนเองอย่างไรเข้ากับสถา น, น ก, การ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 เราจะให้ได้บวชซะก่อนจึงจะให้ทำการทำงานมีครอบมีครัวต่อไปอันนี้คือเป็นจุดประสงค์ของพ่อของแม่ได้คิดเอาไว้ได้ตั้งใจเอาไว้แต่ผู้ที่จะบวชที่เป็นลูกชายนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่หมายมั่นปันมือแล้วก็บอกลูกชายเป็นบางครั้งถ้าจะบอกบ่อยนักก็วัวลูกชายเสียอกเสียใจ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 เป็นผู้อ่อนน้อมรู้สึกต่อบุญคุณของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่อยากจะให้บวชอา้าบวชก็บวชอย่างนี้เพียงแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรมากคิดจะว่าหวังมักหวังผลหวังบุญหวังกุศลในจิตในใจนั้นยังไม่มีเพราะเหตุไรเพราะยังไม่ได้รับการศึกษาพอต่อมาพ่อแม่ให้บวชก็บวชเข้ามาอย่างองค์หลวงตามหาบวัวในชีวประวัติของท่านพวกเราคงได้อ่านได้ศึกษา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 จากนั้นจิตก็ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆออจากนั้นก็รู้จักทิศทางของตนเองว่าเราจะอยู่ในพุทธศาสนาหรือเราจะออกไปเป็นฆราวาสอย่างไรอันนี้ก็เป็นรู้ทิศทางแะทีนี้แต่เขามาบวชใหม่ๆเราก็ไม่รู้ทิศทางว่าจะเดินไปทางไหนแต่พอเขามาบวชแล้วได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติแล้วศึกษาพุทธประวัติอ่านชาวประวัติแล้ว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 ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี้ขอให้ดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญได้อุทิศให้แก่พวกท่านทั้งหลายขอให้ท่านพวกหลายจงเป็นสุขเป็นสุขถ้าผู้ใดมีทุกข์เราก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขแล้วก็ขอให้มีสุขยิ่งๆงขึ้นไปเพียงแค่นี้เราก็กราบเป็นภาษาใจของเรา ถ้าเราท่องอาหารสุกิโตโฮมินิทุโหมิอาเวโรวโหไม่ได้นะเพราะเราท่องอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ความหมายถ้าว่ารู้ภาษาใจของเราเนี่ยสลงพ่อว่าจะดีกว่าจากนั้นพวกเราก็นั่งภาวนากําหนดลมนั่งขัสมาธิการนั่งสมาธิบางทีเรานั่งในกุดมันอับอยู่ในมุ้งหรือว่ามีผ้ากัน้นผ้าม่านเราก็พยายามเปิดผ้าม่านออกให้มันสว่าง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 เราก็เอากระดาษสีขาวไปวางไว้ตรงที่ทางมดเดินไปถึงที่นี่นเราก็พยายามข้ามจะไปเหยียบมดเพราะงั้นแต่แต่ถ้าว่าเดินไปเดินมาถ้าว่ามดมันหนีไปแล้วเพราะเราข้ามมันบ่อยๆมันก็นหนีเหมือนกันนะมดนะเราก็เดินตามปกตินีอันนี้เมื่อสว่างขึ้นมาแล้วก็นำบาทบริหารมาศาลาจัดบริหารเรียบร้อยได้เวลาแล้วก็ปัดกวาดช่วยหมู่ช่วยคณะจากนั้นก็บินทาบาท บิดทาบาทพอามาฉันพอมาชันเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างบาทอะไรแล้วกับกุติกับกุติเสร็จแล้วก็มีอะไรเราจะซักผ้าไหมอาบน้ํำไหมจากนั้นก็เข้าทางเดินยังกลมพอเดินยังกลมเสร็จแล้วก็นั่งภาวนานั่งภาวนาเสร็จแล้วดูหนังสือศึกษาธรรมวินัยดูหนังสือเสร็จแล้วถ้าว่ามันเหนื่อยก็พักผ่อนพอพักผ่อนเสร็จแล้วเกินมา ก, กอา้าวเราจะนั่งต่อหรือเดินยังกลม จากนั้นก็ลงมาฉันน้าฉันน้ําเสร็จแล้วก็เอากลับขึ้นไปถ้ามีเวลาดูหนังสือหรือเดินย่ำกลมนั่งภาวนาจากนั้นก็ปัดกวาดพอปัดกวาดเช็จเรียบร้อยลงมาบริเวณศาลาจากนั้นก็ทําความสะอาดบริเวณศาลาเมื่อทําความสะอาดบริเวณศาลาปัดกวาดเช็ดถูศาลาเตรียมเพื่อวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วแล้วก็กลับกุฏิท่านี่มีเวลามากเลยไปขึ้นไปแบส่งน้ําอาบน้ําอาบเทา เข้าทางเดินจงกรมหรือเราจะเดินจงกรมก่อนก็ได้ค่อยมาอาบน้ำก็ได้จากนั้นก็เดินจงกรมเสร็จแล้วแล้วก็มานั่งภาวนาพอมานั่งภาวนาถ้ามันยังไม่ง่วงแล้วก็ไปเดินจงกรมอีกออจากนั้นก็เราก็มานั่งอีกสักหน่อยจากนั้นก็ไหวพระทำวัดเย็นทำวัดเย็นก็อย่างที่เหมือนเราทำวัดเช้าน่นะสวาคะโตสุ ป, ปฏิปโนเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนกุศล อากนั่งก็พักผ่อนการพักผ่อนของพระกรรมฐานสี่ทุ่มท่านกำหนดให้สี่ทุ่มไม่ให้นอนเร็วกว่านั้นเตือยทาวนอนดึกกว่านั้นเป็นเสียแต่มีความจงใจมีความจงใจที่จะนอนดึกก็ไม่ว่ากันเพื่อบำเพ็ญภาวนาเนีนั่งภาวนาให้มากๆแต่ถ้าหาว่าเรานั่งไปแล้วมันเพลียมันเหนื่อยอักพักผ่อนสี่ทุ่มตามปกติพอพอักผ่อนนั้นแหะตื่นตีสาม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 คบเพื่อนที่ดีงามไม่คบคนชั่วคนเลวแหมไม่คบคนที่ขายยาปะยามาไม่คบคนที่สายกัรชายาฝิ่นมั้งนั้นแหะแหม่คบคนดอีอันนี้ก็คือชีวิตของฆราวาสจากนั้นก็มีฆราวาสธรรมประจําใจด้วยแหม่ฆราวาสธรรมประจําใจคืออะไรแหมสัจจะให้มีความซื่อสัต์ต่อการให้มีสัจจะคือความจริงใจต่อกันอย่าไปพูดแบบโกหกหาสัจจะไม่ได้ ถ้าคนไม่มีสัจจะพบไม่ได้ไม่น่าไว้ใจคนขาดสัจจะถ้าคนมีสัจจะแล้วพูดยังไงเป็นอย่างนั้นรับคําเขามาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําเขาถ้าว่าปฏิบัติไม่ได้เขรีบไปบอกเขาว่าปฏิบัติไม่ได้อย่างนั้นอันนี้เพราะว่าคนเราให้มีสัจจะธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนคนเรานี่บางทีก็โมโหโธโศโกธารักโกรธโหดหลงมันมีอยู่ในใจ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 สิงไหนไม่อยากจะทําแต่เพระเกิดคุณค่ามีประโยชน์เราก็อดทนทําให้มันจบจบให้มันชิ่นชิ่นไปไม่ให้มันมีเรื่องไม่ให้มันมีราวให้การงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราพรื่งอันนี้ประว่าขันติคือความอดทนจ่าคะให้รู้จักเสียสละรู้จักทําบุญทําทานให้รู้จักปฏิบัติบิดามารดาของตนเองคนเรามันต้องมีจาคะคือการเสียสละเสียสละให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนให้ฝูง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 เราก็ไม่ได้สนใจเรื่องไฟธรรมะตลอดเมื่อเท่าเกศชลาเราก็ไม่ได้สนใจไฟธรรมะอีกอันนี้แปลว่ามืดมาแล้วก็มืดไปถ้าว่าพวกเราตโมตะมะปรายโญโชติเมื่อเป็นน้อยเป็นหนุ่มตโมตะมะแค่ๆว่ามืดเราไม่ได้สนใจ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 ข้าไปเจ้ารักษาข้อที่สองข้าไปเจ้าจะรักษาข้อที่สีข้าไปเจ้าจะรักษาข้อที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะถึงจะไม่ได้ทีเดียวถึงห้าข้อได้ทีละข้อละข้อละข้อต่อไปเราก็เป็นผู้มีศีลครบทั้งห้าข้อบริบูรณ์เมื่ออายุเท่าแก่ชะลามาแล้วจิตใจของเราก็จะมีหลักมีความร่มเย็นมีความเชื่อมั่นในตนเองนี่หลวงพ่อว่าชีวิตของครว่า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 มีแต่ใจเท่านั้นเองแนหะที่เป็นผู้ไปสู่ปารโลกภายภาคหนาเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้ให้ดีวางแผนชีวิตของตนเองไว้ให้ดีแต่ถ้าว่าพวกเราไม่คิดล่วงหน้าไม่คิดถอยหลังไม่คิดไม่มองคนอื่นเนี่ที่เขาเป็นมาที่เขาตายไปเนี่ยที่เขาตายไปเคยตายเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นเราคงจะตายอย่างที่เขานั่นแหละไม่เป็นอย่างอื่นนถ้าเราคิดได้อย่างนี้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 เขาให้กินขี้หมาก็กินได้เหมือนกันพราะกลัวตายแต่ตามไม่กินกินขี้หมาก็ไม่หายแล้วแต่ว่าเขาบอกหลอกให้กินก็กินได้เพราะกลัวตายเพราะคนไม่มีหลักใจเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าคนที่มีหลักใจแล้วไม่เป็นอย่างนั้นถึงขาวแล้วเหรอหมอรักษาไม่หายแล้วเหรอถ้าไม่หายก็ตายถูวไหจะทำยังไงได้เกิดมาตายคนที่เกิดมาก่อนของเราเขาก็ตายให้เราเห็นอยู่แล้ว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 หลวงพ่อจะคิดทําอย่างนั้นอ่างั้นแต่แต่พวกเราท่านทั้งหลายนานาจิตต่างนานาทัศนะอาจจะมีความคิดเห็นแปลก แ, ลกแตกต่างกันโอ้ยจะไปทําได้ยังไงหลวงพ่อนอนอยู่ในวัดก็ใช่อะไรก็คิดอย่างนั้นแหละสิแต่มันจะทําได้ยังไงอันนี้ก็สุดแท้แต่พวกเราจะคิดแต่พวกเราคิดหลวงพ่อพูดก็น่าฟังเหมือนกันถึงจะปฏิบัติไม่ได้ทุกกระเบียดนิ้วแต่ก็เป็นแนวทางชีวิตประจําวันของพวกเราน่าจะ ทำได้เป็นบางกรณีเป็นบางอย่างสิ่งเหล่านี้ก็เพียงแต่ว่าเป็นเส้นบรรทัดเป็นเขียนตุกาตาเขียนเป็นตุกาตาให้พวกเราได้สังเกตให้พวกเราได้ดูให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหรือบางคนอาจจะทําให้ยิ่งกว่านะ่นะทำให้ยิ่งกว่าที่ตุกาตาที่หลวงพ่อเขียนทุกวันพระรักษาอุโบสถแล้วก็นั่งภาวนาทุกคืนไม่ได้ขาดนั่งมานละสองสามชั่วโมงอย่างเนี้ก็ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆ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 จากนั้นองค์หลวงตาท่านก็บอกว่าเอ้ยทําอินถ้าถจะว่าไปออกไปภาวนาก็จะออกไปก็ไปได้นะคือท่านแนะแนวทางจากนั้นเราก็เอ้เราจะออกไปภาวนาที่ไหนเพราะเรายังไม่เคยนะเลยจากนั้นหลวงพ่อก็เดินมาทุดงมาจะมาแถบนี้แหละที่แรกกันเนี่ยนะเดินจากบ้านนาเก น, นะออกมาก็มาบ้านผือได่ยินว่าบ้านผือเป็นป่ารงพงไพ่ จากนั้นก็มาพักบ้านนาเกียนจากนั้นขึ้นหลังเขาเลยบ้านนาหลวงจากนั้นก็ขึ้นผู้ย่าอูอ่จากนั้นก็เดินลัดเข้ามาหาบ้านสว่างปากลางนี่แหละจากนั้นก็เดินลัดเข้ามานาคํา น, น้อยไปภูเขาผูก้อนเดินออกไปมีแต่เดินทั้งนั้น่ะสมัยก่อนไม่มีทางรถมางั้นแหะนี่แหละวิธีการที่นี้หลวงพ่อกลัวไหมมาอยู่ในป่ากลัวกลัวมากแต่ว่าไปในสถานที่ใดกลัว สถานที่นั้นจะภาวนาดีในที่ ก, กลัวกลวมันใจมันอยู่กับตัวเองเนลยไอใจมันอยู่กับตัวเองใจมันไม่ออกนอกเพราะว่ามันกลัวตายพุโทโธพุโทโธพุโทโธก้าวเดินที่ไหนพุโทโธอยู่ตลอดเพราะสติอยู่กับตัวเองเพราะมันกลัวไอ้ขึ้นไปหลังภูย่าอูสมัยนั้นคนยังไม่มีขนาดรอยวัวป่าก็ยังมีอยู่งั้นมีรอยมีกัดต้นไม้ไปเห็นไอ้ขนาดกลางวันสักแสนเก้งยังร้อง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 แต่ที่แรกก็คิดอย่างงั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆมันก็กูกลัวมันก็บังคับให้อยู่ยงบบนั้นภาวนาจิตสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอันนี้ก็คือวิธีการที่ท่านออกธุดงป่าดงผงไผ่สมัยนั้นก็ยิ่งกว่าสมัยหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อมาออกธุดงไม่มีเสือไดๆมันเสือมันหมดแล้วมีแต่เสือผ่านไปผ่านมาทตนเองไม่เหมือนเสือสมัยก่อน เสือสมัยก่อนอย่างที่อูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวนั้นมันร้องหากันพอตกกลางคืนตอนค่าเสือตัวนั้นก็ร้องเสือตัวนี้ก็ร้องอมันร้องหากันกนควรคางหากันแต่ยุคของหลวงพ่อเนี่ยเสือนะไม่มีนะมีก็แบบหลบหลบส่อนๆ่องั้นแต่ไม่ออกนอกหน้านอกตาแต่ถามเขาว่ามีอยู่แต่ไม่ใช่เสือใหญ่แต่ไม่ใช่เสือกินคนเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยไม่กลัวเรื่องเสือว่างนแต แต่ว่ากลัวผีเพางั้นแอ่กลัวผีโนอไม่รู้จะทํายังไงอแต่เราก็ภาวนาสติอยู่กับตัวเองเนี่แหละการเดินทุดงเยแต่มาครั้งหนึ่งมาครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อหายกลัวนะคือหายกลัวคือมันกล้าแต่ก่อนพอไปก็กลัวอยู่งั้นะแต่ก็อยู่ได้เอแต่มันก็กลัวอยู่มันไม่หายกลัวงั้นถ้าเรื่งมาอยู่เนี่ยะมาอยู่ธรรมห่างไกลจากหมู่บ้านสี่ห้ากิโลอย่างที่ว่าเนี่ย เขาว่าตัวเนี้ยผีด่นะเชาบ้านเขาบอกเขาก็ไม่พูดแล้วนะ่ะเขาก็ะซิบกระซาบงนั้นเขาก็เห็นว่าเรายังน้อยยังหนุ่มอยู่แล้วออกมาทุ่งเนี่ยจะอยู่ได้หรอ อ, อยู่ในป่าลูกล้างบอบบางอีกต่างหากสมัยก่อนหลวงพ่อไม่อ้วนอย่างนี้ด้หัวโตๆใช่ไหโพงเค้งใช่ะตัวข า, ขาวๆใช่ไหมสีดใช่ะหมนี่ฉันจะอยู่ได้หร อ, อในป่าเนี่ยเขาว่างั้น ทนีนเขาก็พาขึ้นไปเราค่อยเอ๊ะที่ไหนที่น่าอยู่เขาก็ขึ้นไปขึ้นไปเราค่อเป็นร้านเล็กๆอยู่ในถ้ำแล้วเราก็มีไม้ฝากฝากับฟางปุปุบ ป, ป่าๆว่ากั้นแต่จะมีทางเดินยังโกรมด้วยโปโลโ ค, โคเข่งว่ากันนี่ยเราก็มาจัดใหม่จากนั้นเราก็มาปัดกวาดวางวางบริขารเตรียมพร้อมแต่เวลาอาบน้าำลงมาอาบข้างล่างเ่เดินขึ้นไปโอ้ถ้าเป็นหน้าร้อนน่ยคงไม่ไหวแต่เนี่ยช่วงนั้นเป็นหน้าหนาว ลงมาอาบน้ำเลยขึ้นไปก็เหงื่อแตกเพรามันชันมากเลยเพราะฉะนั้นทําไม่จําเป็นจริงลงวันละครั้งขึ้นไปแต่เช้าบินบาตรลงมาแล้วก็ฉันตีนเขาพอชันเสร็จแล้วก็เตรียมน้ําขึ้นไปน้ำํำดื่มขึดไปแล้วก็ตอนเย็นลงมาอาบอาบเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอยู่องคเดียวแตทีนี้เมื่ออยู่ที่นั่นพออยู่วันแรกเราก็ไม่ได้เดินเลาะเรียบที่ไหนอยู่ที่นั่นมันเป็นเครือข่ายของถ้ำถ้ามันยาวไป ทางทิศตะวันออกพอเรามาอยู่วันหนึ่งวันที่สองเราก็เดินเดินดูโอ้เป็นถ้ำยาวตัวนะเราก็เดินไปเดินไปที่ไหนได้เห็นพระพุทธรูปปวกกัดปวกกินเหมนงั้นแต่บางทีก็ยังแขนบังยังศีรษะบังยังอกบังเป็นพระพุทธรูปไม้เนี่ยเยอะแยะแต่ปว ก, กินแต่เขาติดทองนะทองสีเหลืองยังติดอยู่โอ้ทองเขายังติดได้ดีเหมงั้นทองเปเลวนะติดพระพุทธรูปแต่ไม่เป็นองค์แล้ว ที่เป็นองค์เขาคงจะเอาไปขายกันหมดแล้วว่างั้นเถอะทีนี้ไปเห็นบาทบาทโอ้บาทใหญ่มากถ้าว่าบาทของเราเนี่ยมุดเข้าในบาทโบราณได้เลยว่งั้นเถอะเออแต่ไม่รู้คนโบราณใหญ่ขนาดไหนไม่รู้หรอว่งั้นะ แ, แต่บาทโอ้แต่ยังเหลือแต่ขอบมันขอบปากมันพราะมันเหล็กหนาแต่ก้นโข้ามาเนี่ยแปว่าปุบปั้ผุพังหมดแล้วอันนี้นเราก็ไปเหยิน จะได้เราไปเห็นสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะดีใจได้เราดึกดกุลอยต่างหากทุกตรงนี้ไม่ใช่อื่นกายมันคงเป็นวัดวาเป็นวัดเก่าแก่เออพวกผีพวกอะไรคงจะเต็มอยู่ในนี่แหละเราคิดว่านะเราคิดถึงกลัวภูมิมะลูกคะว่างั้นเถอะในนี้คนโบราณก็คงจะมาอยู่ในถ้ำนี่เห็นของวัตถุโบราณเนี่ยคนคงอยู่แถวนี้แหละะเราก็เดินเลาะไปองเดียวในป่าเออมันอยู่ในที่สูง พอเดินดูดูเสร็จแล้วเราก็กลับมามาคืนที่สามแล้วเราก็ไหว้พระอย่างที่ว่าเ น, นนะ่ยเดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยจุดเทียนเดินเหนื่อยแล้วก็ขึ้นมาก็ไหว้พระอารางสัมม า, ทท ส, าปปสัพพุโตสวะกัตุทุพนุเจ้าท่นก็สวดพระปริศตั้งแต่พุทธังธรรมังสังคังโยจะคุมาโมหะสัมพุทเทตวีสังจะนมโมอเสวนาะกรณนยเปตสูตรอัปปมาโนพโทุทโธ จากนั้นก็สวดไปเรื่อยสวดวิปัสสิก็ได้จากนั้นก็ส ว, วดโพธชงจนจบพระปริศมันกันมีคาถาที่สวดหมดทั้งพ่อปีู่ใหม่ด้มันกลัวด้วยเจเน่สวดจบแล้วเราก็ น, นั่งภาวนาตัาง้งจิตอธิษฐานอย่างที่ว่านี่นะนั่งภาวนาก็ยกมือไหว้พุทโธธรทมโมสังโฆเล่านันภาวนาพุทโธพุทโธพิจารณ า, าร่างกายสังขารของเราเป็นของใหม่เที่ยงแท้แน่นอน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 จิตใจก็สบายพอสมควรเหมือนกันแต่มันไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยมันกลัวผีอ่ะอยู่องค์เดียวเงียบยิ่งกว่าเงียบอีกพอนอนลงไปได้ยินแต่เสียงแมลงจากนั้นก็ได้ยินแต่เสียงหายใจตัวเองฟอดแฝดฟอดแฟดใบไม้ตกใบเดียวก็ขอกแปลอกแฝดก็ได้ยินเหมือนกันแต่ฮ่เพราะมันอยู่ในที่สงบจริงๆเหมือนกนแตนั่งพอเสร็จแล้วแล้วก็นอนนอนก็ประมาณชักสี่ทุ่มนี่แหละนอนตะแคงขวาเลย คือพระไปอยู่ในป่านรงพงศ์ภายการนับนอนจะไม่นอนแบบไม่มีสติพายจีวรห่มเสร็จแล้วก็นอนเหยียดขาตะแคงขวาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเย่างนั้นเถพราะมันง่วงมันก็หลับไปดีใช่ไหมพอหลับไปนีพอเคลิมเคลิ้มอย่างนนเถเหมือนกับคนตัวบ้กใหญ่ทะมึนเราอย่างนั้นเถในความรู้สึกมือเหมือนกับตีกลวยงาวย่างไงล่ะนิ้วมืออ่างนั้นมาขยําปุ๊บ เราต้องนอนตะแคงขวาใช่ไหมมันก็ปุ๊บกำหัวใจเราเลยแบบนั้นเถอะขย้ำตรงหัวใจขย้ำปุ๊บเราก็ลุกขึ้นมาทั้งหลับทั้งตื่นเลยแบบนั้นเถอะอันนี้จะว่าฝันก็ใช่นะจะว่าละเมอก็ใช่จะว่าผีอั้มก็ใช่แบบงั้นเถอะแต่รักกันยังไงครเข้าผมมันคิดอะไรไม่ออกแต่ว่ารู้สึกว่ามีคนมือมักใหญ่มากำหัวใจแบบนั้นเราก็ตั้งนั่งลุกอย่างแรงแบบนั้นเถอะลุกมานั่งลุกนั่งขึ้นมาแล้วทีนี้ มันกลัวเหมืนเถอะหัวใจเนี่ยมันไม่ใช่เต้นตุบๆธรรมดาดิมันรัวเหมือนกับนั้นเลยมันเร็วเหมือนนเถอะเออเออหัวใจหัวใจมันกลัวเหมอนเถอะหัวใจเต้นเร็วถึงขนาดนั้นเหมืนเถอะมันรัวดิโอลุกขึ้นมานั่งยังมีหน้าถามตัวเองอีกต่างหากดิกลัวไหมผมถามตัวเองมันกลัวอะไรสิเหมือนันมาตอบตัวเองนะกลัวอะไรพู้น้อยดิ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 เออคนฆ่าก็ฆ่าเพื่อตายจะกลัวทำไมจะไปอยู่ที่ไหนได้ที่จะไม่ตายฮะอว่าอะไรนโอ้โหความกล้าหาญมันขึ้นมาวเงินเออผมพองสยองก้าวขึ้นมาเลยนเออผมพองสยองก้าวึเลยเงินเมก้าวขเลยเงินเออผมพองายอ้าวขึาเลยเงินเ้แผมพอยาวจไม่ได้เงนะินเออมันองก้าวขึ้นม า, า, มลนา เ, มนเลยมพกลวขึ้นมาเลยมยอก้าวาเยเมือกวนปาเลยเินเมอง้ขนมเลยน้น จะนักก่ง น, นั่งภาวนาสักพักใหญ่เี๋วว่าใจตัวเองมั่นคงเหมือนกันเถอะไม่กลัวมันจะมาท่าไหนก็นมาเถอะมันจะคาค า, าเถอะน ะ, ะเราขอมอบกายถาวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีแหละเราไม่ได้มาเพื่อหวังทรัพย์ในดินสินในน้ํำนะเราไม่ได้มามุ่งหวังอย่างอื่นนะเรามาที่นี่เรามาเพื่อจะชําระกิเลสเรามาเพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิด เราไม่ได้มุ่งหวังอะไรทั้งหมดในโลกเรามีแต่หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารตามอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนมาเข้าไปเจ้ามาภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์หาแหล่งสงบเพื่อหามักหาผลเท่านั้นเองไม่ได้หาอย่างอื่นข้าไปเจ้าไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นไม่ได้มุ่งหวังทรัพย์ในดินสินในน้ําบริเวณนี้ขอให้ผู้ใดก็ตามที่บิญญาณใดก็ตามเข้าใจ กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ไดู้้หวังอย่างอื่นข้าพเจ้าหวังพ้นทุกข์นะถามว่าภูใดก็ตามบินญาณใดก็ตามจะมาเบียดเบี่ยนข้าพเจ้าเอาเลยข้าพเจ้าไม่ได้ห่วงอะไรในชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ในวัตะสงสารก็แล้วกันเจากนั้นพอนั่งภาวนาเหนื่อยนอนเนี่ยนอนก็หลับดีนะตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยมีอะไรอีกว่างัไงจากนั้นไปอยู่ณสถานทิณใด ความกลัวก็มีอยู่แต่ว่ามันมีอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละคล้ายๆกับ ว, ว่ามันไป ก, กลัวไปทำไมมันถามตัวเองอย่างนั้นก ล, กลัวอะไรทำไมกลัวตายเหรออยู่ที่ไหนจะไม่ตายขอถามคำนี้ขึ้นมาทีไรความกลัวนะมันหายไปทุกั น, น, นถึงจะไม่หายปิดทิ้งกับเจือนจางไปแบบนั้นเพราะว่าสติปัญญาของเราทันมันนะทันความกลัวแ่บนั้น ออกจากนั้นไปก็ไปภาวนาที่ไหนที่ไหนก็จูไปเรื่อยอยู่ไปได้ว่าะงั้นเถอะไอ้ความกลัวนั่นก็หายไปนี่แหละชีวิตของพระกรรมฐานเป็นอย่างงั้นเวลาเดินทุดงไปหรือว่าไปเที่ยวทุดงเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้จักญาติโจมมาก่อนบางทีเราไปเขามีศรัทธาเขาก็ใส่อาหารให้บักใส่อะไรให้บักมีเท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นแต่ละวันกลับมาถึงที่แล้วเอาฉันเพราะฉันได้เอาภาวนาต่อ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 บางทีเขาก็พูดแบบสัจสัจเจเสียโดยมากพวกทิศพวกยานที่เคยบวชมาก่อนนั่นนะอให้เค า, ารู้เรื่องของพระไม่จริงเหมือนกันแต่เขาก็หาว่าพระนี่มาหลอกชาวบ้านหรืออะไรในลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ตามไม่จริงเราก็นานาจิตตงนานาทัศนะความคิดของเขาเราจะทำอย่างไงได้เราไม่ได้มุ่หวังอะไรเราก็ภาวนาของเราเราก็ไม่ใช่ว่าจะมาอยู่กับเขาช่วงฟ้าดินสลายอะไรเรามาเพื่อปฏิบัติเอาเถอะ เราก็ไม่ได้เบียดเปี่ยนเขาพีแ่แต่เราเดินบิณรบาดใครจะให้ก็ให้ไม่ให้เราก็ไม่ว่าอะไรมีอะไรแล้วก็ชันไปอันนี้คือชีวิตประจําวันของพระกรรมฐานเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องพูดกันนั่นคิดโอทาว่าข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บท้องปวดทีสะแล้วเราจะทํำยังไงถ้าคิดอย่างนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องเขี่ยวป่าไม่ต้องภาวนาในป่าแต่ถ้าว่าเราไปอย่างนั้นแปลว่าเสียสละ มอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อศีลธรรมต่อคุณธรรมตายก็ยอมตายถ้ามีโอกาสที่จะต้องตายเมื่อนั้นถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการที่ไปภาวนาในป่าดงพงไพ่ต้องเสียสละ ถ, ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุค ก, ก่อนสมัยก่อนยิ่งกว่ายุค ข, ของเราอีกยุค ข, ของเราในบ้านเมืองก็เจริญขึ้นมาแล้วสัตว์สารสิงห์ที่เป็นช้างเป็นเสือเป็นอะไร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 แต่ถ้าว่าเราตายด้วยสติด้วยปัญญาหรือความรอบรู้ก่อนที่จะตายเราไปคิดดีไว้แล้วไปทําดีไว้แล้วตายไปก็ไม่เสียเที่ยวเสียทีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเไอ้พวกนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่แหละจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งภาวนาเลยนะพุทธโธพุทธโธอย่างที่ว่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มีสติ ให้พิจิตติอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าสง่งจิตไปทางอื่นให้พุทโธพุทโธจากนั้นเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบพอประมาณนะกับพิจารณาดูนึกดูร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีธาตุสีดินน้ำลมไฟธาตุสีก็คื อ, คอดินคือกระดูกของแข็งเป็นธาตุดินธาตุน้ำกับน้ำเลือดน้ำปัสสาวะที่อยู่ในร่างกายพวกไขมันต่างๆ ในน้ำลมกระลมหายใจเข้าหายใจออกลมในท้องลมในลำไส้ลมในช่องว่างของร่างกายในธาตุลมธาตุไฟไฟคอือทำร่างกายให้อบอุ่นในร่างกายของเรามีธาตุสีเผาอาหารให้ย่อยที่มันร้อนเพราะธาตุไฟมีอยู่ถ้าคนตายไปแล้วธาตุไฟมันดับไปร่างกายประเย็นเสียบคนตายในธาตุไฟไปก่อนพอธาตุไฟไปแล้วจากนั้ธาตุลม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 เพราะนั้นพวกเราจะไปไว้ใจกับร่างกายของเราจนเกินไปมันก็ไม่ถูกนะเราต้องคิดอ่านหน้าอ่านหลังคิดทบทวนคิดพิจารณาไตรตรองเหตุและผลเอาทมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตใจสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจให้มีศีลให้มีธรรมใจของเรามีหลักมีศีลมีธรรมแล้วความสงบรรมเย็นเป็นสุขเกิดพหน้าชาติหน้าบุญกุศลก็เกือ้อกูลหนุนไปเกิดในสติที่ดี กติที่สูงเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเรามีอุปนิสัยก็ไม่ลุ่มไม่หลงไม่หลง ม, มัวเมาจากนั้นก็สังสมคุณงามความดีสืบท อ, อดไปเรื่อย้วยอเนิสงสินทานภาวนาของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ทามาหาเลี้ยงชีพกินเส่ปากเส่ท้องเป็นวันวันไปมันก็ไม่แพ้ศัต ส, สาหลายสิงเหมือนกันแต่แหวัวควายสั้งมา้าหมูหมาเป็ดไก่ตื่นมามันก็หากินเสปากเศ่ท้องผลที่สุดก็ ขยายพันธุ์ของมันวลสู่ก็ตายไปเกิดมาอีกทางมาพวกเราไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมอยู่ในจิตในใจการเป็นอยู่ธาตุสีของเรากับเหมือนกับสัตว์ที่ฉาญทั่วไปเพราะนั้นพวกเราเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพบบัณฑิตนักปราชญ์นักปราชญ์คืออะไรนักปราชญ์บัณฑิตก็คือศีลหศีลแปที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนนี่แหละบัณฑิตนักปราชญ์ ให้พวกเราเข้าคบและก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพวกเราจะได้รับแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขน ะ, อ, ะอย่าไว้ใจในชีวิตจนเกินไปเพราะนั้นเมื่อพุกวันพระควรจะรักษาศีลหรืออยู่ในบ้านออกพรรษาแล้วอย่างน้อยก็ไหว้พระสวดมนต์มีศีลห้าไปจำตัวไว้ถ้าไม่ได้ก็วันพระรักษาศีลห้าใดไหม เราเขารู้เรื่องของศีลอยู่แล้วรักษาศีลห้าทุกวันพระแปดข้าม1ิบห้าคำหรือไม่ลืมจนเกินไปไหว้พระสวดมนต์หรือนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสำหรับศรัทธาญาติโยมสำหรับฝ่ายพระพระสงฆ์องค์ข้เจ้าที่มาบวชในพุทธศาสนามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ชั้นในนะเป็นพระที่บวชมานานตั้งอกตั้งใจพิจารณาน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 กระโหลกศีรษะก็ไ ป, ไปทางหนึ่งฟันก็ไปทางหนึ่งของงั้นเลยกระดูกแข้งกระดูกขาเนี่กระจุยกระจายไปหมากัดสัตว์แทะทำมาอย่างนั้นกันนะ่ะเป็นโครงกระดูกอย่างนั้นถึงยังไงอีกสักวันหนึ่งฝนตกขึ้นมากบบดินงขึ้นมา ก, ก่อเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นใจของเรานะ่ยจะไปให้ความสําคัญในร่างกายจนเกินไปนปนเปื้อมันเกินไปหาเงินทรัพย์สมบัติจนไม่ลืมหูลืมตาจนเกินไป มันก็เป็นโง่อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเออรุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปเพราะฉนั้นพวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในจิตในใจจิตใจก็ปล่อยวางอาดูใจของตนเองดูที่ใจที่นี่ใหมันคิดไปทางไหน มันไปทางโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะมันจะเห็นอยู่ในใจของเรามันดิ่นอยู่ในใจของเราในเมื่อเห็นอยู่ในใจนั้นอะใจของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราอีกท่นเอเออเอาธรรมะอนัตตาปุ่มลงไปใจก็ไม่ใช่เรามันยังหลุกลิหลุกลิใจที่เป็นอนิจจังอยู่นี่จะเป็นใจเราได้ยังไงพระพุทธเจ้าจะว่าใจที่ไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่ของเราเออใจอนิจจังใจทุกขังใจอนัตตา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 ความฉลาดออกมาจากความโง่ที่ตัวไม่รู้นะ่ะเมื่อเรียนรู้แล้วมันก็ฉลาดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราปฏิบัติไปแล้วความพ้นทุกข์ก็ออกมาจากความทุกข์นั่นแหล ะ, ะมันออกมาจากตัวนั้นเมื่อรู้แจง้งเห็นจริงมันก็ถอดออกมาจากตัวนั้นเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมามันไม่ใช่ออกมาจากที่ไหนความพ้นทุกข์มันอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจมันมีที่อื่นนะเพราะนั้นธรรมะปฏิบัติน่ อย่าไปมองที่อื่นที่อื่นจะเป็นแนวทางเท่านั้นเองแอแต่ช่องที่ออกจริงจริงช่องที่จะหลุดพ้นจริงจริงให้ดูที่ใจนะแอบถ้าว่าไปดูที่ใจเนี่ยไม่รู้จักตนต่อของมันเราจะหาที่ไหนมรรคผลนี่ผ่านหาไปเถอะหาที่ไหนก็ไม่เจอถ้าหาที่จิตที่ใจแล้วหาที่ตัวผู้รู้นะตัวนึกคิดนั่นน่ะอยู่ที่นั่นแหละพยายามดูตัวนี้ให้มากเออ แต่วันเราดูบ่อยๆดูมากเกินไปมันก็จะเบอร์ไปอีกล่ะเหมือนกับมีดเราก็ต้องไปฝึกหัดซ้อมกับทา่าขันทาาสีซะก่อนพิจารณาทาาสีซ้อมซะก่อนพอซ้อมเสร็จแล้วพอมีดมันคมขันเข้ามากลับอีกเสือนตัวนี้อีกพิจารณาตัวนี้อีกมันทำใหม่ทาไมมันไม่ปล่อยไม่วางทําไมมันรู้แจ้งเห็นจริงพอพิจารณาดูแล้วมันเบอร์อีกอกลับไปอีกไปรับมีดอีกพิจารณากายอีก ฮะเมื่อพิจารณากายแล้วมันยังจับกายไม่ได้เอา้าเข้าสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มีสติเมื่อสติของเราดีแล้วจิตของเราสงบดีแล้วเป็นพื้นฐานมาพิจารณากายในเมื่อพิจารณากายแล้วจะกนั้นย้อนมาดูใจอีกฮะนี่แหละ ว, วิธีการพิจารณาสรุปแล้วก็คือสมาธิปัญญาแล้วก็ดูเข้ามา ตัวใจคือตัวผู้รู้ถ้าจะรู้จริงๆเนี่ยปล่อยวางที่ใจน ะ, ะธรรมะอนัตตาเนี่ยแหะที่จะเป็นเครื่องสังหารกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจของพวกเราที่จะกระเทาะเปลือกเมล็ดข้าวออกได้เนี่ยน ะ, ะธรรมะอนัตตาเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้จะพูดหลายเรื่องหลายราวชีวิตของพระที่มาบวชควรทําทตัวอย่างไรหลวงพ่อก็ได้เรียงตามลําดับ ให้ฟังชีวิตของพระธรรมฐานชีวิตของนักบวชที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนทำตัวอย่างไรจากนั้นหลวงพ่อเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตของครวญญาติโยมถ้าว่าครวญญาติโยมทำดังที่หลวงพ่อได้กล่าวตื่นนอนมาทำยังไงชีวิตประจำวันทำยังไงให้มีศีลห้าศีลอุโบสถอย่ามืดมาและมืดไปมืดมาและให้สว่างไป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 ไม่น่าจะผิดว่างั้นเถอะเพราะเหตุไรมันกลัวจริงๆน่ะแล้วก็วิธีการปฏิบัติกับความกลัวนธรรทอย่างไรเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินแล้วบางทีอาจจะใช้ความกลัวหรือว่าใช้วิธีการปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อประสบมาเอาจะมาพิจารณาในตัวพวกเราท่านทั้งหลายอาจจะหายความกลัวไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวทางปฏิบัติให้แก่ พวกเราทุกๆท่านแล้วก็สรุปแล้วก็คือให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทธาตุสี่ดินน้านลมไฟจะต้องแตกจากใจของเราแน่นอนไม่วันใดวันหนึ่งเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าว่าเป็นไปได้ให้เดินถูงมรรคผลนิพพานให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากกิเลสเป็นพระอรหันต์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นล่ะเป็นบรมสุขของพวกเรานะนวันนี้หลวงพ่อได้พูดจะยืดยา ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่แต่นี้ต่อไปนั่งภาวนานะเอานั่ง